ได้นาเอาไปใช้เป็นปริศเรียกว่าสูตรปริศปริศนั้น ม, มีความหมายว่าเครื่องค ล, มคงงคลุมคลองตัวเครื่องคลุมครองตัวเครื่องคุ้มคลองตัวที่กล่าวถึงนี้โดยสภาพแล้วก็เหมือนกับออกมาในรูปของคาถาอาคมนะฮะผมคงจะต้องบอกยืนยันไว้ในเบื้องต้นว่า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 แต่ก็คงจะต้องตอบเลยว่าคาถาอาคมที่ใช้ในทางพุทธศาสนานั้นจะออกมาในรูปของเรื่องของธรรมะที่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องพวกเครื่องรางของขลังนะฮะที่ที่พระที่ท่านมีความสามารถทางจิตท่านทำกันแล้วก็เห็นว่าเอพระที่ไปเดินธุ ด, ดงค์ที่เป็นพระมือใหม่เนี่ยก็ยังใช้ยังใช้คาถาอาคมอาจะคาถาาคมด้วยแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นที่รู้กันเลยเนะในหมู่พระเดินธุ ด, ดงค์เนี่ย ถ้าใครคุณเคยก็ลองถามอยู่ด้ครับท่านจะรู้แต่ว่าทําไมถามที่ท่านไม่บอกแล้วก็บางทีก็มีพวกวัตถุประจุริที่ครูบาอาจารย์ให้มาเอามาใช้บางอย่างนันก็อาจจะได้จากในป่าในเขาที่เทวดามีความหมู่ใหญ่ก็เอามาให้แล้วท่านจะใช้ท่านเงียบๆใกลที่ไม่คุ้นอที่พอจะเล่าได้ท่านก็ไม่บอกบอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับพงทีไปเจอคนเชื่อเขาก็โลภเอาอยากจะได้ของของลาไปเลยไอคนไม่เชื่อก็ รอยมารู้สึกไม่ดีกับพระไม่ดีกับศาสนาเองคือไอจริงเหล่าเนี้ก้อนจริงเล่าได้นะเรื่องปริศเนี่ยก็นึกว่ามีโอกาสในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าจะลองเอาเรื่องปริศเนี่ยมาอธิบายสักครั้งหนึ่งอธิบายในเรื่อในรูปวิยาการตาไปถึงที่มาว่ายัางลักษณะของการสวดที่เรียกว่าสวดพันยักษ์เนี่ยเป็นเรื่องนอกศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องมีในศาสนาตามจริงนั่งมีแต่ว่าใช้แล้วก็มีการขยายตัวกันออกมาเป็นลักษณะอื่นนะฮะ พระประลิทธิ์ธที่เรียกว่าอานาธิยรเนี่ยเป็นปรลิทิ์อันหนึ่งที่ที่หัวหนา้าเทวดาคือผู้งายว่าผู้ปกครองผู้ผีปีศาจตาบุกเขาลำเนาไพรเนี่ยเขาห่วงใหญ่พระก็เลยมอบคาถานี่ว่านี่เหมือนเป็นเหมือนเป็ น, เ ป, นเป็นบักเบ่งที่เราเรียกแม่ประสาธรรมดาเนี่ยให้ให้พระเอาไปสวดสวดแล้วในบทนั้นจะมีบทคาถาด้วยว่าถ้าผู้ใดสวดบทนี้แล้วก็ผีไม่ยอมลามือ จะต้องถูกลงโทษมันก็กลัวสิใช่ไหมลนะ่ปะปกผีมันก็เหมือนมนุษย์แหละตากวกคู่ใหญ่หรออย่างงูอย่างนี้มาไกลจะกลา้าเดี๋ยวโดนปลดออกจากตำแหน่งได้โดนลงโทษเนี่ยเหมือนกันก็เลยเกิดอานาธิยารักษาเขาเรียกว่ารักษารักข า, กาคเครื่องรักษาเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็เลยกลายเป็นตำเนียมเอามากลัวกันสียงยืดเสีงยงยาเ น, นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเดิมเป็นเรื่องของใหมอ่อันนั้นก็ถือเป็นปริหาริย์หนึ่ง นี่ก็เป็นปริศอันหนึ่งพราะนั้พลังปริศเนี่จะมีพลังทั้งในลักษณะพลังของออกมาในรูปของของอำนาจรุนแรงนะคือพลังเบ่งอย่างอนาธิยารักษานี่เป็นพลังเบ่งพลังใช้อำนาจใช้ประเดชพเพื่อพลังในทางประเดชแต่ว่าอำนาจของปริศสองอย่างที่เราคัดมาเนี่ยเป็นพลังอำนาจในเชิงพระคุณเชิงพระคุณก็หมายคก็ว่าใช้อำนาจในทางคุณธรรมทางเมตตาใจดีเข้าสู้เพราะนั้น ปาริศสองเรื่องเนี่ยจึงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าเทศเองอะ่ะจึงเป็นเรื่องที่เ อ, อทรงประทานทั้งธรรมะทั้งอำนาจคุ้มครองตัวไว้ได้วยกันมันจะมี อ, อคุณสมบัติอยู่สามอย่างในในในปาริศเนี่ยนะฮะในปา ร, ริศเนี่ยคือหนึ่งเป็นอำนาจปาริตอำนาจปาริศในหมายถึงอำนาจในทางในทางหลัง ให้ออกในลูปหลังเหมือนเราแผลเมตตาบางทีคนแผลไปติเจอผีเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เมตตามแปล ว, ว่าอะไรก็สัตเทสัจจาส่งมันก็เกิดพลังทางขลังทําให้้หเกิดการยับยั้งอะไรอเกิดขึ้นได้นะฮะ อ, อ, อย่างการณีเมตสูตรนี่น ะ, ะท่านบอกว่าเป็นพลังในทางบริศด้วยคือพลังทางขลังด้วยแล้วก็สองเป็นพลังทมพลังทำเนหมายถึงว่า พลังทำที่เราใช้กับคนอื่นได้แก่แผ่เมตตาอยางเราแผ่เมตตานี่ถือว่าเราใช้ในเชิงพลังคือผมก็ต้องบอกว่าที่เราพูดพูดกันมาเนี่ยเรามุ่งในเชิงพลังนะฮะไม่ได้มุ่งในเชิงผริตไม่ได้เชิองอำนาจศักดิ์นี่เป็นเป็ น, ปนคุณสมบัติที่สองคุณสมบัติที่สามก็คือเป็นการให้มรควิธีทางธรรมะหมายถางว่าไม่ใช่ว่าเราไปสวดกรณีเมตตาสูตรขันธปริศ เพื่อที่จะแผ่เมตตาแล้วแผ่ไปทําไมก็อาจจะบอกว่าเหตุใกล้คือทำให้เขารักให้เขารักไปทําไมแล้วทาไมต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาให้ไปไปเชิญเสือสิงกระติ้งแ ด, ด่แล้วก็ไปแผ่เมตตาให้ไม่เกิดเหดใใตุเพืไอตกระติ่งเหล่านั้นทําไมเนี่ยมันมีความมุ่งหมายในทางลึกหรื อ, ร อ, รอทางระยะไกลยอยู่เพราะฉะนั้นกรณียเมตตาสูตรก็ดีสันดาสูตรนี้ก็ดีท่านสอนเพื่อผลในทางวิธีเรียกว่าเป็นปาจกกัด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 คติของทางพระพุทธศาสนาเราแท้ๆเนี่ยก็เอาไปเป็นบาตรต่อวิปัสสนาเลยเป็นอันว่าพระปริตคือกรณีเมตสูตรขันธสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พระที่มุ่งจะไปแสวงหาโมระธรรมในปา่าเรียนเรื่องเมตตาเรียนเรื่องการแผ่เมตตาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการอยู่ปฏิบัติทําให้เรียบร้อยเนี่อันนีง น, นอกจากอํานวยความสะดวกแล้วยังทําให้เราเนี่ยได้ธรรมะคือแผ่เมตตาจนได้สมาธิแล้วก็ต่อวิปัสสนาบรรลุปเป็นอริยะบุคคลได้ซี่คือผลเป็นขั้นของการแผ่เมตตานั้นว่าไปแล้วเนี่ยการแผ่เมตตาเนี่ยผลด้วยทําให้เขารักทําให้อันอีกสองสิบเอ็ดอย่างอย่างที่เราว่ามาเมื่อคราวที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ย ได้หลายข้อเนี่ยครับมันเป็นเพียงสเกตผลเป็นผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีสาระอะไรมากสูกไม่ถูกมีพูในแห่งธรรมะนะแต่ว่าคนจะเป็นจะตายมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าผลที่สําคัญนะ่คือทําให้เราได้สมาธิจิตทําให้เราได้ธรรมะในเบื้องสูงนั่นคือผลสุดท้ายของการแผ่เมตตา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 ในการก่อนเข้าบรรษาพระกลุ่มหนึ่งเป็นจานวนมากได้มาเป้ากระผู้มีพระภาคขอกรรมฐ า, านเพื่อที่จะพากันไปสู่ป่าพระพุทธเจ้าทรงประทานกรรมฐ า, านให้ตั้งหลายร้อยอย่างะครับคือหมายว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่ละอย่างต่างกันไปพระเหล่านั้นก็พากันไปโดยมีสังกะเถระเป็ น, นหน้าไปที่ เพิงผาหิ ม, มาผาไฟ ป, ปฏิบัติทำกันอยู่ที่นั้นปฏิบัติอยู่ได้เพียงแค่สามสี่วันเท่านั้นเกิดเรื่องก่อมจริงมือก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกๆแล้นะแต่ว่าพอถึงสามสีวันนั้นเกิดเรื่องจนกระทั่งต้อ ง, ต, องต้องออกมาจากที่พำนักที่ปฏิบัติตัวที่แต่และองค์หลีกเล่นกันอยู่มาสู่ที่พักของพระสังคเทระพระสังคเทระก็าถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระสังคเทระท่านคงมีตาบะดีหน่อยไม่ไม่เดือดร้อน เหลือนอกนั้นก็จะเบาอ่อนหน่อยก็เดือดร้อนอาจารย์เกรก็จะประถามว่าเอ้ hey, นี่พวกคุณไอ้ตอนที่เรามากันเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ธรรมะสูงแต่ว่าอินทรีย์เราก็ผ่องไสร่างกายอย่างแรงแต่บัดนี้เนี่ยไม่เห็นกันแค่สามสี่วันทําไมแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยดูไม่ได้เลยคือบางองค์ก็ผอมเหลืองบางองค์ก็เอันเดียวนี้ก็เรียกว่าเ อ, อ ผมผมโกรธ น, นะหัวโกรธเลยนะแต่ว่าตาดันก็โกรธกันอยู่แล้วก็มาเห็นเป็นที่ชัดเจนบางองค์ก็หน้าตาที่สเสียวโกรดไอ้ภาวะทาง จ, จิตใจผิดปกติไปบางองค์ก็มีอาการปวดหัวมาพลยาอย่างสองอย่างแต่ละคนก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์อันน่าสะพืนกลัวในลักษณะต่างกันบ้างแต่ว่าก็ใกล้กันคือว่าบางองค์อยู่ไม่ได้เพราะว่าโดนผีหลอกทุกคืน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 ยักษ์หลอกผีหลอกยักษ์หลอกยังไม่ตอนนี้นัเข้าพรรษาแล้วนะกเวลาเข้าพรรษาเนี่ยอันไหนท่านให้ความรู้หน่อยว่าจะต้องอยู่ยังไงแล้วจะไปไหนจะกลับเมื่อไหร่คือว่าพระผูกนี้โดนผีหลอกจนแตกหมดเลยก็ปกติของพระเข้าพรรษานเนี่ยว่ากำหนดก็อจะกาหนดสถานที่ กำหนดว่าสถานที่นี้ถ้าสมมุติเป็นโบสถ์เราก็ว่าออกชื่อโบทถ้าเป็นวัดก็ออกชื่อวัดว่าบริเวณนี้จากที่ตรงนี้ถึงที่ตรงนั้นข้าพเจ้าจะขออยู่จำพรรษานี้จะไม่จากไปจากที่นี่เว้นมีความจำเป็นด้วยอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่ามื อ, อยาเยิอนทั้งหลายได้นิมนต์ให้ไปเทศไปสแสดงธรรมก็สัตะหะไปได้ เาว่าสัทธะคือลาไปเจ็ดวันเราต้องกลับมาค้างคืนมามาค้างอีกคืนที่จะต่อก็หมายว่าค้างหนึ่งคืนแล้วก็สัหตหะเก่อไปคือลาไปตัมี้อีกอย่างหนึ่งสองไปแสดงหนึ่งไปแสดงธรรมสองไปดูแลพ่อแม่ของพระที่ท่านเเป่วยไข้เจ็บอะไรเหล่านี้ก็ไปดูแล ส, สามก็ไปหาของสิ่งของที่จะต้องซ่อม ศาลาอาคารต่างๆถ้ามีความจําเป็นก็ไปได้ถ้ามีพระวิสุเกิดความกําหนัดขึ้นมาคิดอยากจะสึกถ้าเราสามารถที่จะไปพูดให้ท่านสึกได้ก็เป็นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสัตย์สุขไปพูดไปบอกนี่สี่อย่างนีเดียก่อนไปพูดให้มันให้สึกให้สึกนะเพื่อให้กําลังใจกับท่านเพื่อให้ท่านโลดสึกเดียก่อนก็สี่อย่างนั่นที่ว่ามานี่เดียก่อน แล้วถ้าโดนผีหลอกอันนี้ก็ไม e ่ต่าฮ่าฮก็บอกได้เลยว่าโดนผีหลอกอะไรดิปลาเนี่ยพอมาถึงสังคเถละนี่ท่านแก้ปัญหาไม่จกนะคือผู้นับละสังคาเถละไม่มีพลังที่จะรู้สาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาได้จบก็จึงพาพระสงฆ์เนี่ยไปเป้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงที่เป้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสัตว์พักพวงวันนี้ยังไม่ออกบรรษาทําไมออกจากที่จําบรรษามาเรื่องล่า เธออยู่ที่ไหนในภาษาก็อยู่ที่นั่นสิภาษาสังห์ล่าก็กราบถูนว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำคือประธานเทศนาการณีเมตสุเนี่ยว่าผีที่หลอกพราเนี่ยแท้ที่จริงนั่คือใครด้วยมฮะไม่ใช่ผีจริงรอ่ะมันก็เหมือนไอ้ไอ้ผีมาเข้าแล้วบอกว่าเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เทวดาจริงอย่างเดียว น, ยนะ สมัยก่อนก็มีผีที่มาหลอกมาหลอกคนแล้วก็อพิธีไม่จะไม่จะผเีเป็นเทวดาเพราะว่าพระเนี่ยเวลาท่านไปท่านจะไปอยู่บนต้นไม้ ล, ลุกขุกมูลเป็นเซนาสนาที่หางง่ายหรืออาจจะอยู่ที่ใดใดิี่มีเทวดาอยู่โดยมากก็อยู่บนต้นไม้เทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่เรียกว่าลุกเทวดาเนี่ยนะก็เกรงใจพระแต่แต่ว่าในนั้นท่านบอกว่าตาบากของพระผีของพระเนี่ยทําให้เทวดาไม่สามารถจะอยู่บนต้นไม้ได้ ก็พากันลงมาอยู่กลางในกัมปีว่าพาลูกพาหลานพาคนในครอบครัวที่อยู่ที่วิมานตัวนะั้นมาอยู่ข้างล่างเหมือนกับว่ามีพระราชาหรืออํามรรผู้ใหญ่มาอยู่ที่บ้านใดเจ้าของบ้านอยู่บนบ้านไม่ได้ต้องมาอยู่ข้างล่างก็จะไปนอนร่วมไม่ได้เพราะว่าไม่ปลอดภัยหรือ อ, อะไรหลายอย่างเนี่ยนะเป็นอารสรุปว่าเป็นบา ร, รมีของพระราชา นี้อยู่วันนึงก็แล้วพระก็ยังไม่ไปเทวดาไม่รู้เรื่องเลยว่าพระจะมาอยู่ยังไงแค่ไหนไม่รู้ว่าเข้ากันสายยังไงสองวันก็ไม่ไปทไี่ทำยังไงดีทํายังไงจะให้พระไปดีจะไล่พระ <c oughs> ก็เลยออกอุบายว่าต้องทําให้พรากลัวคนเราเนี่ยเมื่อกลัวแล้วก็ต้องไปครับอย่าว่าแต่ต้นไม้ของเราเลยแม้แต่กุฏิของพระเองเนี่ย หลอกดีๆพระก็ทิ้งกุฏิตัวเองได้ก็เลยวางแผนกัว่าอา้าใครจะหลอกแบบไหนแบบไหนแม่ซ้ำแบบกันนะพระจะได้หนีหกสันขวัญหายก็ได้ผลจริงๆพ อ, อามาฟ้าปุตจเจันก็เล่าสาเหตุอันนี้ทีนี้เมื่อเล่าสาเหตุอย่างนี้แล้วก็พระสังฆเทราคก็ถามว่าถ้ายังนั้นจะไปอยู่ที่ไหน แต่ น, นี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องสัตปายะของการปฏิบัติดีว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดรู้ว่าสถานที่แห่งนี้นเป็นสัตปายะของภิกษุพวกนี้ถ้าภิกษุพวกนี้หวังการบรรลุธรรมจะต้องไปอยู่ปฏิบัติที่นี่<ม>ก็จึงบอกว่าที่ที่เป็นสัตปายะแก่ธรรมของพวกเธอไม่มีที่อื่นกลับไปอยู่ที่นี่แหละพอได้กลับไปอยู่ที่นี่ก็ โคยาใจหาย แ, บบแวบเันแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมีเครื่องรักษาเพราะฉะนั้นเธอจงเรียนตริตที่เราจะแสดงให้ฟังต่อไปดีและเอาไปใช้เอาไปใช้เพื่อรักษาตัวเองหนึง่งหรือใช้ในทางขลังคือว่าถ้าใครแผนวิธีใช้เนี่ยถ้าใช้อย่างในทางขลังง่ายหน่อยอ่ะง่ายในแง่ที่ว่าเราเองถ้าหากว่าเมตตาจิตยังไม่เกิดเนี่ยนะเหมือนเราเหมือนคนเล่นป้า ก็เรียนปาเหมือนว่าใช้ปลาตังขังเนี่ยไม่ต้องรู้เรื่องอะไรและะ้วครับเอาปลาแขวนได้ผลเลยคนที่ได้คาถาดีถทักษะนั่งขังจริงนะเชื่อไปเชื่อยกไว้ก่อนเถอะไม่ต้องรู้คาถาแปลว่าอะไรตัวเองจะมีคุณสมบัติตามคาถาหรือไม่ก็ไม่ต้องรู้ไปถึงกร็สวดได้โปรดนโมตตะพระกวะโตอรลาโตอะไรเงี้ยพอบโดนผีหลอกก็ทั้งผีทั้งควงก็ฟังไม่รู้เรื่อง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 ประกอบคือพลังทางขลังและพลังทางเมตตาไอ้ตรงนี้นะถ้าใครที่สนใจเรื่องปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะไปแผงเมตตาไปใช้ลองใช้ทของอย่างนี้ก็ได้ใช้ทของอย่างนี้คือใช้พลังสัมพัทธด้วยแล้วก็ใช้ในเชิงเชิงเมตตาด้วยเหมือนว่าเราแฝงเมตตาแล้วปากกระท่องกระถาไปเงี้ยใจเป็นเมตตาสมมด้ว่านะโมโพธิสโตอังคันติมายะอิติปะกวาไม่รู้แล้วอะไรก็กระตาท่องจะรูปเป็นกระถาแล้วก็แฝงเมตตา นะโมโบริสุทธ์โตอังคันติมายะติปะกาวานะโมคือนึกถึงเขาด้วยความรู้สึกรักรักท่องคาถากลับ่ะนี่เรียกว่าใจตส อ, องแบบอันนั้นก็อันหนึง่งอย่างที่ผมว่าตอนต้นแล้วก็เอากรณีเมตตาสูตรเนี่ยไปฝึกเป็นสมาธิเลยไม่ได้ฝึกเพื่อผลในทางสังคมคือผลในทางป้องกันไปยึดเหนี่ยวน้ําใจหรือทําให้เขาเกิดความเป็นวิจารภาพขึ้นสมาธิก็จะเกิดจนกระทั่งได้ฌานได้ เมื่อได้ทรงตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงได้ทรงสแสดงกรณียเมตสูตรเราก็ต้องมาแปลว่าทํำไมเรียกกรณียเมตสูตรเมตตาไม่มีตานนะีย่ยนี้ไม่ใช่ไ ม, ไม่มีตา่ตในพระไตรปิฎกจริงจริงเนี่ยครับท่านเรียกว่าเมตตสูตรมีที่อ้างผมทมําไปแล้วนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สสองที่เรียกว่าเมตตสูตรทั้งสองที่แต่ พอมาปรากฏในพระประิตธเนี่ยท่านเติมคำว่ากรณียเมตตาเป็นกรณียเมตตาสูตรกรณียะแปลว่าอะไรอาการณียะแปลว่าอะไรกรณียะแปลว่ากิจที่พึงกระทําอากรณียะก็คือกิจที่ไม่พึงกระทําเรียกว่าอาการณียกิจกิจที่พึงกระทํามาวมกับเมตตาก็าหมายถึงเมตตาเป็นกิจที่พิสูจ พึงกระทาความจริงจิตที่ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติพึงกระทาเนี่ยเป็นประจําในทางภาวนาเนี่ยนะฮะมันมีละมีห้าอย่างอันนี้พูดขยายให้กิความรู้นิดนหนึ่งหนึ่งแผ่เมตตาวันละสองเวลาท่านประบูไว้งั้นนะสองทำบริษหมายถึงสวดพระปริษพระบริตอันเนี้ย หรือปรลิตอื่นก็แล้วแต่ภัยที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไปอยู่ในดินแดนที่มียักษ์มีอสุรกายแล้วก็สวนอานาทิยะปริิตให้มันหมอ ค, คือจะพูดง่ายๆในทางกะนะแล้วก็สามเจริญอาสุภาษกรรมฐานวันละสองบทอาสุภาษนั้นช่วยเรื่องอะไรเมตานั้นช่วยเรื่องผูกมิตรปรลิตนั้นช่วยป้องกันภัย อาสุภานั้นช่วยทำให้เราไม่หลงไหลในเพศตรงข้ามสำหรับชีวิตนักบวชหรือแม้แต่นักไม่บวชก็ตามตัวครับเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยปรากฏการยั่วยุอันหนึ่งเนี่ยก็คือไอความรู้สึกกำหนักในเพศตรงข้ามมันจะพูดขึ้นมาสี่มรณะสติเป็นเครื่องช่วยทำให้เราไม่ประมาทนะไม่ หลงตัวไม่หลงตัวว่าเราจะอยู่ยงคงคาพันชาตรีแล้วก็ห้ามหาสังเวคขาแปดมาสังเวคขาแปดใหมายถึงการทำหรือพิจรารณาถึงสังเวก็์ทำแปดอย่างได้แก่ชาติเป็นภัยชาลาเป็นภัยพยาที่เป็นภัยมรณะเป็นภัยแล้วก็ทุกขติเป็นภัยทุกขติสี่เลยรวมเป็นแปดเกิดแก่เจ็บตายสี่แล้วก็ สุขติสี่คือนรกอสุรกายเปรตเดชะ4อย่างแล้วเวลาที่คนระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจคือเป็นวิิยาล้ำพาะทำให้ขยันกันเพราะนั้นยาขยันของพระเนี่ยคือมหาเสังเวกาไม่ใช่ยายาบายาบานใน้กินแล้วก็กรรมฐานได้ไม่ได้เลยต้องใช้มหาสังเวกขาทำให้พระหรือผู้ปฏิบัติทำขยัน เป็นกิจที่พึงดับเนะมตตาก็เป็นกิจที่พึงทำอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้ า, จ, าจึงได้ทรงตรัสเนื้อความกรณียเมตตาสูตรจริงๆหน้าตรงหมายเลขหนึ่งที่เริ่มต้นแต่ในปริ์เนี่ยเขามาแต่งบทเ้าเรียกว่าบทขัดบทขัดบทขัดก็คือบทมาลงข้างหน้าคาถาหรือลงข้างหน้าสูตร เช่นทรมาจากกระวตนาสูตรก็จะมีบทขับข้างหน้าเป็นคาถาที่โบราณอาจารย์ได้ผูกขึ้นพูดอะไรเป็นเรื่องชักชวนบ้างพูดอันนี้สองบ้างอย่างบทขับตรงนี้จะเห็นว่าท่านพูดไว้ว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการอันพิลึกเพราะอานุภาพแห่งปริษอันใดอันหนึ่งบุคคลผู้ไม่เกลียดครานแล้ว ทั้งกลางวันและกลางคืนฝักใฝ่ในปริสอันใดจะหลับและหลับแล้วก็เป็นสุขย่อมไม่เห็นสุบินอันลามกไรใๆหมายถึงไม่ฝันในทางร้ายไม่ฝันได้เราทั้งหลายจงสวดปริสอันนั้นอันประกอบไปด้วยคุณมีอย่างนี้เป็นต้นเถิดนี่เป็น ทำในเบื้องต้นที่ท่านบอก อ, อะไรอะไรไว้เป็นแบบสังเกตครับจากนั้นก็จึงได้นำเอาเนื้อความตอนสำคัญที่เป็นเนื้อความสาระของบริที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระเอาไปใช้เนี่ยครับมีลำดับที่ท่านว่าไว้อย่างนี้กิจนั้นใดอันพระอาริยเจ้าบรรลุบทอันระงับ กระทำแล้วจิตนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาถรรพ์และชื่อตรงเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจุระน้อยประพฤติเบากายหิดมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาเป็นผู้ไม่ขนองไม่ครัวพันในสกุลทั้งหลาย วินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยแล้วก็จากนั้นเขาบอกขอสาทนาหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเกษมีตนถึงความสุขเถิดผมว่าแค่นี้แล้วจะอธิบายบางอย่างให้ฟังก่อนว่าที่เราอ่านตั้งแต่ต้นมาจนถึงข้อสามเนี่ยยังไม่ได้เห็นผูถึงว่าพูดถึงแต่เมตตากรรมนะเป็น เป็นเรื่องของการวางตัวนะเป็นเรื่องการวางตัวทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เราคงไม่มีโอกาสจะมาเลียงและอธิบายอะไรกันชัดตรงนี้นะี่ยผมอธิบายสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงการแผ่เมตตาเป็นสาระแต่คนแผ่เมตตาได้ผลในเชื่อมนียมันไม่ใช่สัตว์ท ว, ว่าแผ่เมตตาอย่างที่ผมบอกแล้วจะต้องประกอบการวางตัวคือต้องอยู่บนพื้นฐานของการวางตัวที่ดีด้วยถ้าหากว่าการวางตัวไม่ดีเนี่ย การแผ่เมตตาจะรุ่ม ๆ, ๆุ่มนอนอนสมมติว่าเราเนี่ยไปอยู่ป่าจะบวชไม่บวชก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปกินเหล้าเมาย า, า, ายาอะไรอะไรตามอยู่ในป่า น, นะฟกตกกลางคืนก็กลัวผีหลอกแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมตตามันก็ไม่ไม่ขังนะการวางตัวนั้นจึงเป็นตัวเสริมที่สำคัญมากเราจึงพูดกันเสมอนะว่า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 ก็จึงได้บอกเขาว่าการที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลแล้วมันรื่นตลอดเนี่ยนะฮะไม่มีข้อติดขัดเนี่ยเราจะต้องปรับพฤติกรรมต่อคนที่เราแผ่ไปถ้าเรายังต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแล้วก็พอเขาอย่างงั้นอย่างนี้เราก็จะทำยังไงถึงจะทำให้เขามาอย่างงั้นอย่างนี้กับเรามากนะก็มานั่งแผ่เมตตามันก็เลย มันเห็นเห็นเลยว่าคนที่ที่ตัวแบบเมตตาเนี่ยความรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้มันขัดแย้ ง, ยงไอ้จะรักก็ไม่สนิทใจไอ้จะเกลีย ก, ก็ไม่ลงมันออกมาในลักษณะอย่างนันจริงๆถึงว่าต้องเปลี่ยนใหม่อย่าใช้เมตตาเป็นเพียงเครื่องเยียวยาผลของความชั่วแล้วก็ไม่ตัดความชั่วนั้นออกไปจากพฤติกรรมของตัว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 หรือเป็นคนองอาจเป็นคนกล้าไม่เป็นคนขี้ขาดในลักษณะทางพฤติกรรมและความซื่อตรงซื่อตรงในหมายถึงเป็นคนซื่ออย่างธรรมะ ก, ก็เป็นลักษณะเป็นสิ่งดีที่สุดเวลาแผ่เมตตาเนะี่ยมันควรจะเข้าได้กับความซื่อคนซื่อเนี่เป็นเป็นนโยบายที่ดีที่สุดแล้วก็แค่เพื่อจำเลย ว, ว่าไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราซื่อนะ แต่ถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันเราก็เห็นแล้วว่ามันเอาเข้อจริงล้ำปิดไม่มีแต่คือคนที่มีเล่เหลื่อมเนี่ยพขาพูดอะไรยิ่งพูดยิ่งยิ่งขยายยิ่งเถอะคนยิ่งจับพันนะเราเลยห่วงคนประเภทนี้ค่ะสมมติเจะเขียนจดหมายอะไรก็เขียนบับเขียนให้วจนกระทั่งเขาจับได้โอ้มันยังไงก็ไม่รู้เวลาจะพูดอะไรใ น, รน ล, ลักษณะกบกอื่นแล้วมันก็ประดับประเดิด่นยิ่งพูดยิ่งยิ่งคนรับไม่ลง ยิ่งพูดยิ่งขยายอีเธอถึงขนาดคนที่ตัวแสดงออกเดยเขาก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนะแต่ทำไมเขารู้สึกก็ไม่รู้ยิ่งพูดมากก็ยิ่งดูดีเราสังเกตได้จากคนที่ มีความซื่อตรงก็มากจะเป็นอย่างรับถ้าไม่ซื่อยิงพูดอนะ่ะแล้วก็อย่างที่ยกตัวอย่างนี้มันจะนอกเรื่องไบปาไม่ามารู้นะแต่ว่าให้มันเห็นชัดบางทีเราฟังในสภาโอ้ยิ่งพูดก็ยิง่งยิ่งไปห่วงไม่หยาดแล้วไม่หยาดให้เขาเกลียด ก, กันมากนะักเมื่อทีก็บอกไปแต่ต้นมาจําให้พูดอย่างเนี้ยพูดไปพูมาพูดก็พูดอย่างนีพพพพงนน้พูดอย่างที่ตัวเองบอกว่าไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่จะพูดอย่างนั้นไลย ก็ไม่พูดกดดีกว่าพูดแล้เราก็เป็นหัวความเป็นผู้วาง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะไม่ข่มผู้อื่นอ่าอย่างยกตัวยอย่างว่าคนหัวดือ้อคนแข็งกระด้างคนยกตนข่มท่านมันเป็นบุคลิก ข, ข้างคนมีเมตตาเอาละ่ะถึงว่าคนบางคนน่ไอถึงบทแผลเมตตาก็าก็แผ่ ให้ถึงบทเขาหญิงเ้าก็ยิงคือทั้งคียเลตทั้งความดีมันมาโรวมเนี่ยทั้งที่มันข้านกันเนี่ยนะมันเป็นไม่ได้เหมือนกันนะธรรมะสองอย่างเนี่ยมันมาข้านกันอยู่ในตัวเองหลายเรื่องใะชีวิตจริงๆเราเป็นอย่างนี้มันไม่น่าข้านแค่บางค้านเมันนี้เราบอกว่าคนคนที่บ่นมาัวงานเยอะเหลือเกินไม่มีใครช่วยเสร็จแล้วตัวก็หว้งานใครจะมาตามก็โหวงนั่นแหละ แล้วก็บนนี้กันตลอดชีวิตเลยแต่เรายิ่งเอาหาคนมาห้ก็บนจุกจิกเสร็จแล้วก็คือเสียทั้งขึ้นทั้งลองอาไม่หาคนมาช่วยก็บนหาคนมาช่วยก็ไม่เอาหวงเนี่ยเป็นไปนเรื่องความแย่งแยงดีบางทีไม่รู้ตัว <im it> เหตุนั้นคนที่มีลักษณะสนาทางเมตตาที่ได้ผลแท้เนี่ยจะไม่เป็นคนแข็งกระด้างยกตนขอมคนอื่น แผ่เมตตาและได้ผลขนาดไม่ต้องแพ่ยังได้ผลเลยแค่มาคนที่ไม่แข็งกระด้างไม่ยกโทษกับท่านเนี่ยไม่ดื้อไม่ด้า น, นไม่แพ่ก็ยังได้ผลยังน่ารักและถ้ามีความจริงใจสวมก็มาอีกหน่อยโอ้โหแน่นเดียรเลยทีนี้แต่ให้คนที่หัวดื้อแข็งกระด้างแต่ว่าในใจเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอันตรายกับใครมีอ่ะแต่ว่า มันก็ยังแย่งกันอย่างที่บอมว่าจะมีสักกี่คนที่เขาจะคนพอที่จะไปดูเห็นหัวใจของของเรานะว่าใจทําไม่มีอะไรทําอะไรใครไม่ได้ที่บางคนบอกในถึงฉันเป็นอย่างนี้ทั้งข้าไรไม่ได้ทั้เป็นจริงๆนะเขาฆ่าคนไม่ได้แต่เขาอดที่จะหยิ่งไม่ได้เขาอดที่จะแข็งกระด้างหัวเรือไม่ได้เชื่อถือตัวยเองด้วแต่หัวใจนี้ไม่ไ ม, ไม่มีทางจะทําอะไรใครได้ ไม่ไดงกันข้ามคือคนไม่ยกตนกดท่านมืออ่อนแต่ตีไม่อ่อนเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ไม่มีเมตตาสักคนก็มีนะเขาเรียกว่าฆ่าคนอย่างเดินเย็นอามก็มีเหมือนกันก็เลยต้องจับคู่ให้ถูกทีนี้ก็้เรื่องจริงอีกเหมือนกันนะเวลาเราไปบอกเออนี่คุณอย่าอย่าอย่าโหวดือให้มันมากนักสิอย่ายกตัวให้มันมาดิอย่าหลงตัวให้มาสิเขาก็เทียบ ว, ว่า ระหว่างเขาก็ไอคนนั้นนะจะเอาใครไอคนนั้นมาเลยไอคนที่ป่าหวังก็เที่ยวนะไอลักษณะมืออ่อนดี่นอนแต่ว่าไม่มีความจริงใจกับใครเลยซึ่งบังเอิญเราก็รู้จักด้วยต้าจะเอาใครบอกว่าเอาคนละครึ่งเอาคนละครึ่งไม่เอาทั้งคนหรอกเอาคนละครึ่งไอเราก็ควรจะไปเอาก็มาครึ่งไอเขาก็ควรจะเอาเราไปครึ่งมันเอาไปใส่จะให้มันมันพอดีพอดีตามมาออกมาในรนะูปนั้นแล้วก็ผู้สันโดษ เลี้ยงง่ายมีธุรกิจน้อยประพฤติเบาไอ้ธุรกิจน้อยเนี่ยหมายก็ว่าเ อ, อนี่พูดถึงกรณีของอย่างพระอย่างผู้ปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็เยาวัยแล้วก็ผู้ผู้สันโดดเลี้ยงง่ายตรงนี้ก็เป็นตัวเพิ่มความน่ารักดั้งนั้นนะครับลำพังตัวเองของคนที่สันโดดคนมากน้อยคนไม่เรื่องมากเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ดีทีนี้เรื่องธุรกิจน้อยเนี่ยถ้าพูดอย่างในระดับเราเนี่ยเราพบความเป็นจริงอันหนึ่งว่าไอ้ผมเองนะไม่ไม่ได้อยู่อย่างคนบางคนแล้วผมก็ขเข้าใจเขานะเราสมมุติตัวเราเองถ้าเราต้องไปเป็นธุนักนักธุรกิจไปเป็นนักการเมืองที่ต้องไปเจญหน้ากับข้าราชการไปรเจญหน้าแต่กลุ่มการเมืองด้วยกันเราจะไปนั่งยิ้มแผ้เมตตาใกล้สักแค่ไหนเราไม่รู้ใช่ไหมฮะ ไปทำธุรกิจก็เหมือนกันหรือไปต้องไปปกครองคนอะไรอะไรนี่เฮ้ยสังเกตว่าพระบางองค์เนี่ยบางทีท่านก็เลี่ยงเลียงงานการปกครองเพื่อไม่ให้เสียการใช้พลังความรักเพื่อเป็นสื่อให้ท่านเนี่ยสอนคนได้สื่ออานวยประโยชน์ทางด้านนั้นได้อย่างท่านพุทธทาสอะไรท่านทําไมปกครองนะท่านกลม่เอางานปกครองทำงานปกครองเนี่ยพระเนี่ยบนกระผมมาแล้วว่า ไปอินเดียที่วัดพุสิน า, า, านราสันปะครูเสี่สันตาวัด้ะดีเนี่ยท่านบอกท่านชอบงานวิจารทางงานปกครองก็ตาแหน่งเจ้าพงศ์ว่าทําไมเอาอเราเคยเป็นแล้วโอ้พระเดชเนี่มันร้อนไปอยู่ที่ไหนก็คนรักเสือ <c oughs> บอกพระรักเสาอผืนชังผืนหนังพระฉางเสาอผืนเหลือนี่ยพูดถึงพระแล้วก็โยมด้วยโยมด้วยอย่างวัดในกรุงเทพเนี่ยไปโยมจะไปะะะเอาภูมิโยงก็กพระกระเจ้าเราก็มีนะ ก็มันก็เลยออกมาลักษณะนี้ก็เลยบอกว่าเอออาตมามาสร้างวัดเนี่ยก็เลยตั้งยาววานันพระนุ่มองค์หนึ่งมาตามงานเจ้าววัดให้รับรลาะแทนเราก็มาดูแลโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้ไอ้ข้อขัดแย้งมันคือทําตัวให้อยู่เหนือความขอัดแยง้งทีนี้กรณีของว่าถ้าคนประพฤติทำเนี่ยนะกิจอะไรที่จะทําให้ธรรมะประพฤติได้ยากแต่ การแผ่เมตตาทำได้ยากเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่งั้นก็ก็เสียหายบางทีเขาเปลียนเอาทั้งคู่เลยอย่างคดีของพระในสมัยพุทธเจ้าส ก, กุลสองสกุลก็เป็นโยมกันถากก็มีลูกชายมีลูกสาวอยากให้แต่งงานกันก็ให้เข้ามาแต่งงานกันเสร็จแล้วปรากฏเราแต่งแล้วมันไม่ใชขจริงทองไห้ยกทะเลาะกันจนกระทั่งลูกสาว หนีกับบาทไอ้ทั้งนี้ก็โตเราไปแนะนําผู้หญิงที่ไหนมาไอ้ทั้งโน้นก็แนะนํำมาไปแนะนำผู้หญิงที่ไหนม า, านนนเสีย ท, ทั้งขึ้นทั้งล่างเลยมันก็เป็นเรื่องที่กิจที่ีล้าไม่ควรับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เราประกอบให้ฟังแบบที่เอพอจะเข้าใจง่ายแต่ ว, ว่าในมุมปฏิบัติเนี่ยก็มีแง่ลึกตรงไปกว่านั้นแม่ข้ออื่นๆเนี่ยก็ทํานองเดียวกันสรุปรวมความว่าเมตตามีมพลัง ขึ้นจากการวางตัวการวางตัวนี้จะเป็นตัวทำให้เรานี่จเจริญเมตตาได้ดีขึ้นแล้วก็เมตตาของเราจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นดีขึ้นจากนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงเมตตาซึ่งเป็นกิจที่พึงทาโดยตรงเนี่ยครับว่าให้แผ่เมตตาว่าขอสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเสินนี่เป็นการแผ่โดยไม่เจาะจงแล้วก็แผ่ต่อไปอเป็นลักษณะเจาะจงไปโดยลำดับว่าสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุง้งหรือเป็นผู้มั่นคง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 ความจริงเวลาแผลจริงๆกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะฮะแผ่ยังทําเมตาจริงมีวิธีการทลิกแง่คิดถึงสัตว์เปโดยประการต่างๆอีกมากมายหลายอย่างซึ่งใช้ได้ทั้งนั้นอันนี้ว่าโดยรูปหลักแล้วก็สัตว์เหล่าใดเห็นแล้วหรือมิได้เห็นอันนี้ในแง่ของการรับรู้หรือการประสบประสบการณ์ในแง่ประสบการณทั้งเราว่าเราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นเนี่ยเคยเห็นเคยเคยรู้จักหรือไม่รู้จักกันแล้วแต่นะ ก็เราเนี่ยเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสจะเห็นแม้แต่คนไทยทุกคนทั่วประเทศได้หมดทุกคนถูกไหมและบางคนก็อาจจะถูกได้ถูกเห็นหมดทั้งประเทศยังในหลวงเนี่ยนะก็โดนเห็นแล้วเห็นอีกแล้คนก็อยากจะยื่นชมพระบ ร, รมมีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตคนก็อยากเห็นก็มันก็มีทั้งคนไม่ดีก็คนก็อยากเห็นเหมือนกันกดูที่หน้าตาเป็นไงคนดีคนก็อยากเห็น นี่ท่านหมายถึงเราเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นสัตว์ถามว่าในบ้านเราเห็นสัตว์ในบ้านเราหมดุกตัวๆปวกขึ้นบ้านเห็นตัวทกตัวไหมไม่บางทีทีหนูอยู่บนเพดานกลุบกรอบๆยังไ ม, ไม่ได้เห็นจนมันตายไปจากนั้นท่านก็บอกว่าขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด น, นี่เป็น เป็นการให้พรหรือการแผ่เมตตาคือไอ้ถ้าเป็นว่าโดยคำพูดหรือโดยลักษณะของปริศเนี่ยเวลาพูดเป็นภาษาบาลีเนี่ยรั็งเป็นภาษาที่มีความขลังเราเองเมื่อพูดภาษาบาลีก็รู้สึกว่าพูดแล้วมันให้รสชาติทางคาถาสูงนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยให้รสชาติทางสภ า, าวธรรมคือทางรสของเมตตาที่เราแผ่ออกไป นั่นเราก็จำไว้อย่างว่าถ้าแพยังเป็นปริศให้สวดเป็นรูปบาลีให้ได้แต่ถ้าจะเอามาเป็นสื่อของการสำแดงความรู้สึกทางเมตตาให้คิดเป็นภาษาไทยเรื่องนี้จริงเลยสมมติว่าเราบอกอต่อไปนี้แปรเมตตาตะเปสัตตาเวลาอปยาปัจจาอานิกาโทคิตปัญญารันตุไม่รู้เรื่องเลยความรู้สึกไม่ออกนะะ กู่ที่สูงส่งคนสก็เหมือนกันแหละฉะนั้นถ้าคิดเป็นคำไทยเนี่ยจะดีที่สุดถ้าจะเอาสาระในทางธรรมะหรือถ้าได้สองอย่างก็เอาได้สองอย่างประกอบกันถ้ท่านว่าต่อไปว่าสัตว์อื่นยาพึงข่มเหงสัตว์อื่นยาพึงรูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไร่ไเลยไม่ควรปราถนาทุกแก่กันและกัน เพราะความเครียดโกรธและเพราะความคุ้มแค้นตรงนี้นี่จะเห็นว่าลักษณะการแปรเมตตาออกมาในลักษณะที่ทำตัวตั้งความรู้สึกตัวเองอย่างเป็ น, นกฏเกณฑเราคงจำบทแปงที่เราเราแฝงตั้งว่าผมทวนนะทั้งหมอก็ได้ว่าสัทเท ส, ะสะัตตาเวลาัพยาปจานีขาสุกีอัตานางังปริยรตุเนี่ย กจะมีอยู่สองส่วนก็ส่วนหนึ่งเราพูดอย่างเป็นคนกลางพ่าสัตว์ทั้งร้ายจงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยอยา่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถอดไอ้นี้เป็นเราเป็นคนที่สองนะระหว่างเรากับคนที่เราแผ่ให้อการแผลตรงนี้เนะี่ะเป็นการแผลอย่างตั้งความรู้สึกเป็นกลางว่าอย่ามีความทุกข์ต่อกันแล้วกรณีอย่างนี้เราถ้าใช้แบบเราใช้ในเชิงพลังให้เราใช้บ่อยมุ่ว่าเราเห็นคนก็ด่ากันอย่างห ย, ยาบๆนะ เราก็นึกเป็น แ, แม่ตาว่าเออจงเมตตากันเถิดนะพูดในใจเพราะว่หัวเมียดาะนะ่ากันแล้ก็อยู่กันมาจนมีลูกมีเต้าขนาดนี้แล้วนะเรามาอยู่ด้วยกันนะก็นเหมือนเ อ, อ่ทําบุญทํากุศลอะไรร่วมกันมาไอทีเป็นเวรเป็นกรรมก็เนี่ยต้องมาลำบากลำกับมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละอันนี้เรานึกม่ต้อพูดนะครับฟังเพราะเราไม่รู้อาจจะไม่รู้จักเขาอะนะแต่นึกในลักษณะที่เราเราแผงเมตตาเห็นคนเขากำลังทะเลาะกันเนี่ยเราก็แฝ่อย่างเป็นคนกลา เหมือนเป็นคนไก่เกลียร์คือเห็นว่าถ้าเราไปแสดงความไก่เกลียรด้วยการพูดหรือด้วยการกระทาเนีก็เป็นเมตตาขยรรกแต่ถ้าเราส่งความคิดไปในขณะที่สัตว์กําลังเบียดเบียนกันอยู่เราได้ทำเมตตามโนกรรมอย่างชนิดที่เป็นเมตตาภาวนาออกไปถ้าทว่าเราจะช่วยใครสักคนเอาง่ายๆนะเขามีปัญนะหา่ะวัวกระเมีย ไม่เข้าใจกันเราโมด้ว่าเราไปนั่งไปเข้าสมาธิอย่าเป็นผัวเมียใครก็ได้หรอที่เรารู้สึกว่ารักเข้าป่ายถนาดดีเขาอยากให้เขาดีกันเราก็ไปแฝงเี่จ้ะซึ่งผมก็ได้ใช้มาแล้ว เ, เมื่อวันนี้ลองเล็บเลียกเขียมเขียงขีดขีดสารอยู่พอนานๆก็นานเากว้จะแซมกันใหมล่ละให้ใหม่ๆดูดี ก็ไอ้ น, นี้คือหมายว่าเราเราต้องให้เขาช่วยตวเขาเองด้วยนะแต่เราก็ก็จะช่วยสนับสนุนด้วยก็เราก็แผ่ให้ให้เขาดีกับให้เขาเข้าใจกั น, นอะไรเงี้ยก็จะมีผลพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็จะแผ่ยังไม่เจาะจงเนี่ยเรารู้อยู่อย่างนึงว่าสัตว์เนี่ยอยู่ด้วยการเบียดเบียนกัน เองเราไปเห็นอชีวิตสัตว์ป่าเนี่ยนะฮะเรา ก, ก็รู้สึกรู้สึกไม่ไม่ไม่อยากให้เขาเบียดเบียนกันเวลาเราดูหนังสัตวดีเสือโคร่งไล่กวางเนี่ยเราเรารุนหรือเราเรารุนใครอนะถามรุนใครรุนใครทุกคนนะและท่านคิดหรือว่าคนรุ้นกวางทุกคน <c oughs> ทุกคนนะไอ้บางคนเนี่ยมันมันมันเนี่ยหดอะ มันชอบการเบียดเบียดมันลุ้นเสือมันลุ้นเสือคืออยากให้ให้จับให้ได้ไอเงี้ยเมื่อใหมพวกนี้ต้องสชชาติแรกมันคงเคยเกิดเป็นเสือมามันมาเกิดใหม่มันกเ็เลยยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ทีนี้เอาถามใหม่เราเห็นนักมวยไทยต่อยกับนักมวยต่างประเทศจริงยางเปลี่ยนโลกกันรุนไทยอ่ะรุนคนไทยดีมากที่ตับไป่างนีตรง แต่บางคนไม่ชอบดูเลยนะฮะรู้สึกเป็นเรื่องของความเจ็บปวดแต่ที่บางคนที่เขาดูได้เขาก็อดลุ้นคนใหนไม่ได้เราเนี่ยเนี่ยผมอยากจะแทรกนิดนึงไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องสงคราเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ามันเป็นวงจรของไอ้กรรมรวม่วมลักษณะอย่างนี้ว่าเราเองเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาเกิดนี่เราเราพูดในเจิงธรรมะนะแต่ว่ามันอาจจะทางโลกดูบังไม่ดี เวกเราเนี่ยรวมกลุ่มกันอยู่เวลาเกิดสงครามเราก็ต้องเข้ากลางโอ้ใจโยร้องฉลองชัยวกเราชนะชนะมาเข้ามาทาแล้วก็เหนื่อยายนะเราซื้อไม้เข้ามาโอ้เห็นเขาตัดป่าพม่ารักล่ามต้นมัหคือมามัคือมาบางคนเห็นนั่นจะได้ใจแป้วอย่างนี้ดีบางคนเออดิ่งให้มันหมดประเทศไปเลยพม่าเลยอ่าพวกยังเลยังกดมโหก็ไม่ได้เอาทองขับไป ก็คิดไปลักษณะอย่างนั้นแต่หาลูกไม่มถึงตัวเหมืกันถึงตัวนะมันเป็นมันกระทบถึงแตนนะแต่ว่าในแง่ของกรรมเนี่ยเราเนี่มีส่วนร่วงคถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้อยู่ออกหน้าอยู่หนุนอยู่หลังก็ได้รับส่วนร่วงขางหลังแต่มันก็กลายเป็นว่าเรื่องโลกกับวิสัยเนี่ยนะฮะเอธรรมะจะไปพูดอะไรมากไม่ได้อธิบายเหตุผลได้พระยังมาพูดรุนแรงไม่ได้ เป็นแต่ว่าพุทธิชาติสมัยก่อนนั้นก็อยู่เหนือคือท่านไม่ใช่คนของรัฐใดท่านก็อยู่เหนือปัญหาความบัดแยงแต่เดี๋ยวนี้พระสังกัดพระไทยสังกัดประเทศไทยพระพมา่าสังกัดประเทศพมา่าเพราะฉะนั้นเวลาพมา่าลบกระไทยหลวงพ่อหงไงทั้งรรมาโชดแล้วก็หลวงพ่ออะไรทางใต้นั่นเล่ะที่ทําตะกุดทำอะไรก็ต้องข้าคข้างนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรียกว่า ให้ความผูกพันในทางโลกออกมาทีนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นมันก็เราเกิดอะไรขึ้นถึงร่วมกั น, นถึงร่วมเวลาเราค้าขายกบเราเลือกกู้แทนขึ้นมาเลือกรัฐบาลขึ้นมาทําการค้าเพื่อจะได้เงินตราจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเรามากๆนะใอ้ประเทศอื่นก็มึงขายขายบุหรี่ใครจะยังไ ง, งจ้างมันเถอะนะขอให้มึงขายบุหรี่ให้ได้ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นการทําลายกันอื่นและเราเองมีส่วนกินเศษกินเลยได้ผลประโยชน์ ซึ่งบางอื่นเราก็หลีเลี่ยงไม่ได้อีกใช่ไหมสิ่งเหล่าเนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็พยายามที่จะหลีกเว้นแล้วก็นึกเข้าใจคนอื่นคกาว่าสมัยนี้เลยเลยมีเรื่องของการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศอะไรอะไรนี่ยนะะแล้วก็พอเราเริ่มมาเข้าใจไอ้ไอ้สัมพันธาภาพโดยรวมเนี่ยว่าประเทศไทยวิบัติในทางเศษษษษษษรษฐกิจพม่าอย่าไ ว, ว้เลาะเพระพมา่าก็โดนด้วย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 ในโอกาสข้างหน้านี่ยมันก็จะมีมีแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยอีกหน่อยเราก็ไปทัศนาจรอวกาศได้เลยมีคนละสามล้านสามล้านไปได้อีกหน่อยอาจจะเหลือแค่สับล้านห้าแสนไปกันได้เนี่ยมันก็มันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเลยมีส่วนร่วมไปมองดูหลายอย่างเป็นอย่างนี้จริงๆ การทำบุญก็จะทำพับ เ, เนี่ยมระเทือนถึงที่ไหมสมัยก่อนเนี่ยลองคิดดูดอาจารย์ได้พูดถึงตึกนี้เนี่ยตามาก็มองเห็นได้ ว, ว่าเวลานี้ยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเราเนี่ยกนไทยเราก็หางานทำไม่ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชาวพ ม, าาม่ชาชาวเขมรชาวลาวก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็เยอะแยะ ตอนนี้คนไทยก็ไม่มีงานทำแล้ ว, ลวชาพม่ า, า, มากขคงต้องกระทบเหมือนนแน่ๆเลยแม่เขมรนี่ก็ต้องกระทบได้รับผลกระทบโดยเพะที่ท่าเลือคลองเตยนนี่ยชัดเจนมากอาตมาอยู่บางคนเนี่ยหางานไม่ได้ทํามาสองเดือนแล้วต้องซื้อข้าวเชือข้าวเชือข้าวสารมาแล้วก็กินข้าวก็น้ําปลามีโยมอยู่ท่านหนึ่งมามาหลายท่านแล้วมาขอม า, ออามาออดๆอาตมา เพราะฉะนั้นจะามาว่าเห็นด้วยเลยอาจารย์ว่ามันต้องกระทบแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นได้เห็นดังกล่าวเนี่ยก็ขอเสริมท่านอาจารย์จะต่อที่ผมกำลังจะว่าต่อที่แล้วก็โยมาถึงเมตตาในยุคที่เป็นยุคไทรโลกมากมเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเจ้าหญิงเลดี้ทำบุญไปได้ทั่วโลกนะ พระบุญบางทีเนี่ยใช้บารมีเนี่ยพูดแล้วมันกระเตือรืถึงหมดนะว่า อ, อไอ้ตรงนี้อย่าทํานะคนนี้ก็มีเสียงหน่อยเนี่ยกับระเบิดนะเรื่องกับระเบิดใครจะมาพูดแล้วมีผลเท่ากับเอคนบางคนพูดหรือเรดี้แดน่าไงนะพูดแล้วก็คนก็กระตือรือร้นถึงข่ามก็ไปการอดบุตรีการล้นระลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แผลไปอ่ะนี่เป็นเรื่องของยุคสมัยนี้แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย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 แต่เมกี้กำลังจะล้มจะลายะละอะไรมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็แผ่ไปได้หมดแล้วมันไม่ได้สื่อสารอะไรพาะมนุษย์กับมนุษย์แม้สิ่งไม่มีชีวิตแม้เดราาัจฉานนี่นะก็เชื่อมถึงหมดเพราะถ้าจะให้แ น, น่เราลองพิสูจน์ได้ว่าเมื่อเราจะไปต่างประเทศเนี่ยกลองเดี๋ยถ้าเราทําสมาธิทําบุญแบบไปแ ล, แปล้วแผ่เมตตาจิตไปเนี่ยแผ่พะไรฉันจะไปแล้วนะจะไปเรียนนล้วนะฉันจะไปดูงานแล้นะ ทันจะไปติดต่อกับบริษัทนี้แล้นะแผลไปถึงและดูที่ว่ามันมีผลไหมมีคนเกลียดไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตในทางบวกขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือไม่เรื่องนี้นะ่ะลองพิสูจน์ด่าหรือว่ า, าเอาง่ายๆก็ว่าคนในซอยท่านเนี้ยในละแวกบ้านเนี้ยท่านอยู่ที่บ้านท่านหรือท่านยิ่งไปไปทำกรรมฐานแล้วแผล แล้วลงเวลาท่านกลับมาแล้วท่านดูรจะมีอะไรผิดปกติผิดปกติในทางดีมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราก็ค่อยๆพิสูจน์ด้วยตัวงเราเองอันดีที่สุดจริงไม่แปลกแล้วครับที่พระอย่างหลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษไม่สคําที่อาจจะได้บางมั้งแต่เราพูดแบบให้มันดูต้นจริงต้งจานเ่าไม่ได้สะระไปเผยแพร่ธรรมะกับฝ ร, รั่งที่พูดก็ไม่รู้เรื่อง คนลศาสนาด้วยลงหมดเลยครับแล้วก็แผ่กับผู้พลังได้ผลมากกวกใครทั้งหมดก็เห็นจล้ลวงพระจันนี่แหละท่านเคยใช้ใช้ลักษณะทางเมตตาหรือว่าอย่างกรณีของอ่าอย่างอาท่านเกเองกาที่ไม่เจรจาแต่ก็แผ่เมตตาเนี่ยสิ่งที่ใช้ก็คือใช้เมตตาเปรียบแปรธางมาเนี่ยใช้เมตตาเป็นตัวคุยทางน่ะ ก็ดูแล้วก็แปลกว่าสามารถที่จะทำให้เกิดํำนักเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาได้อย่างแพร่หลายเป็นโลกนี้อย่างหน้าทั้งโมทนะถ้าเมตตาดีก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าการต้อนรับอย่างตึงๆนะอย่างพระบุตรจ้าของเราเนี่นะคนเขาทะเลาะกันเนี่ยถ้า เราไม่ใช้เมตตานะเราจะต้องเป็นที่รักของคนคนหนึ่งกับที่เสียของคนค น, คนหนึ่งถ้าเราใช้วิธีทางโรกถูกไหมเพรเออคนไหนเราอยากจะเข้าข้างเพราอะไรเราก็เข้าข้างคนนั้นเราก็เป็นที่รักของคนหนึ่งที่เสียของคนหนึ่งแต่ถ้าเรามีเมตตาในอยู่เหนือใครจะปีกใครจะถูกเรารู้อยู่ก็จริงเลยแต่เราก็อยู่เหนือแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราช่วยไหมเขาทะเลาะกันแล้วก็เราก็อยู่เหนือไอ้ความขัดแย้งอย่างชอบทำเลย ไม่ใช่อย่างอย่างกระจกนะ่ะอย่างอะไรบางอย่างหรืออยู่เหนือคาามแย่งแบบไม่ถูกต้องก็มีเหมือนกันแต่ผมก็อาจจะอยู่ไปได้ไม่ตลอดคือหมายว่าคนอย่างนี้ผมเอาให้จันว่าแต่คนนี้พูดอย่างถ้าคนนี้พูดอย่างเนะคือก็คนนี้ก็เออ น, นั่นให้แย่มากความจริงคุณถูกคุณดีเอาไปเจอกันนคุณเจ๊ถ้าเจอปัจจานาสองคนไม่รู้จะพูดในด้าไหนเลยโดนเขาไล่ไปแล้วมาเลยเกลียดตั้งกู้เลยทีนี้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 อันนี้เป็นการกล่าวโดยทิศครับแผ่ไปโดยทิศเจาะจงว่าตัดอยู่ในทิศไหนทิศไหนอย่างที่เราเคยหัดแผ่กันมาแล้วนะฮะส่งความรู้สึกที่ไม่คับแคบก็คือเมตตาเนขึก็ถือเป็นทํามไม่คับแคบใจแคบใจกว้างเนี่ยเขาดูจากตรงนี้คนมีเมตตาถือเป็นคนใจกว้างในภาษาพระถ้าเป็นคนไม่มีเมตตาเนี่ยเป็นคนใจแคบ ถึงแม้ว่าจะมีพฤติกรรมมอบใจกว้างยังไงก็แคบนะเป็นรูปหนึ่งของความใจแคบคือจะกว้างไปตามขอบเขตผลประโยชน์ของตัวเท่านั้นอเอายกตัวอย่างยัดชัดงี่ว่านเอาว่าเป็นสส อ, อยู่ที่เนี่ยต่างเลยเ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นี้มาติดต่อสถานีตรำรวจด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะผมไม่ขอเล่าชัด ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นอสั่งถ้บาบังเอิญผมอยู่คนละกล่องอยู่อีกฝั่งผมก็หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ที่แต่นี้ผมไม่ได้ไปใช้สิทธินะพูดไม่ได้ไปทวงสิทธ์แล้วก็ไม่เคยกินแต่ใช้แล้ไม่จําเป็นต้องใช้หมดสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์อย่างคนอื่นเขาเขาบอกว่าอยู่คนละกลองคนละกรองคือคนละต้องดีเราไม่ได้ไปลงคะแนนอะไรให้เขาเงนะเราคือกว้างแล้วมัน ม, ม, มหมดแก่กลองไม่ยอมร่าำกลอง อันนี้ก็เอไม่ใช่เป็นความใจกว้างจริงถ้าใจกว้างจริงเนี่ยจะอยู่เหนือ้ขอบเขตของผลประโยชน์และท่านตรัสต่อไปว่าผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดอตรงนี้ท่านไม่ได้พูดแผ่เมตตาแล้วทําให้หายง่วงนะฮะคือไม่ต้องการจะพูดอย่างนั้น แต่หมายความว่าคนที่แผลเมตตาแล้วอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในียยาบทใดก็ตามถ้าจิตใจยังสดใสยอยู่ปราตาจารความมั่งนอนอยู่เนี่ยอก็ตั้งสติไว้ได้เพียงนั้นคือสามารถที่จะประพฤติตามสามารถที่จะเจริญดำในส่วนอื่นให้ยิ่งขึ้นไปได้หมายความอย่างนั้นนะ <c oughs> บัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนั้นว่าเป็นพรหมวิหารในพระาศาสนานี้คือเมตตาพรหมวิหารนั่นเอง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 จึงว่าถึงพร้อมด้วยยาณทัศนะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของโซโดาคาว่าทัศนะทัศนะหรือทัศนมากเนี่ยเป็นชื่อของโซโดาและสุดท้ายท่านพูดไปถึงยอดมากคืออรหันว่านําความหมกมุ่นในการมทั้งหลายออกย่อมไม่ถึงความนอนในขันธ์ทีโดยแท้ทีเดียวแหละคือไม่กลับมาเกิดอีกนี่เป็นอรหันแล้วครับ